ตอนที่สองการหาเงินคือเรื่องสําคัญอันดับหนึ่งอย่างไรก็ตามด้วยสมองอันไร้เดียงสาของนางคงไม่สามารถคิดแผนการในคืนนี้เองได้แน่เบื้องหลังเรื่องนี้ต้องมีคนคอยชี้แนะเพื่อทําลายความสัมพันธ์ระหว่างพี่สะภ้ายกับน้องสามีอย่างแน่นอนตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเขาเคยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจนั่นเป็นเพราะเขาเป็นโรคหัวใจพิการแต่กําเนิดร่างกายจึงไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กต่อมาการผ่าตัดนี้ก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าการผ่าตัดจะประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ร่างกายของเขาก็ยังมีความแตกต่างจากคนปกติอยู่ดีอาการไม่สบายของเขาในครั้งนี้เกิดจากการทำงานหนักเกินไปหลังจากนี้เขาจำเป็นต้องพักผ่อนให้เต็มที่ถ้าคืนนี้ฉันพาเธอไปแล้วเกิดเธอทำตัวอารมณ์รุนแรงจนเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไหวไหมลิวานเอ๋ยถามหยวนเหยียนเยียนหยวนเหยียนเยียนนางไม่รู้เลยว่าหวนโม่ร่างกายไม่แข็งแรง หยวนเย็ยนเย็นนี่เธอไม่ได้กําลังตามจีบเขาหรอกนะแต่เธอกําลังจะตามเอาชีวิตเขาต่างหากลิวานหัวเราะย่อออกมาเบาๆฉันเคยบอกเธอไปตั้งนานแล้วว่าเวินโม่ชอบคนฉลาดไม่ชอบคนงโง่ที่ไม่รู้จักคิดก่อนพูดแบบเธอหรอกถ้าเธอไม่ปรับปรุงตัวเองชาตินี้เขาก็ไม่มีวันชอบเธอต่อให้ไม่มีฉันในอนาคตเขาก็ต้องไปชอบผู้หญิงคนอื่นที่เก่งกว่าเธออยู่ดี ว่าตาของหยวนเศร้าหึงเ ย, ยนชาลงพูดตามตรงบางครั้งเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเขากับหยวนเย็ยนเย็ยนเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าเห็นได้ชัดว่าระดับสติปัญญาของพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเลยต่อให้พี่น้องจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่มันก็ไม่ควรจะห่างชั้นกันขนาดนี้ตอนนี้ฉันจะขับรถไปส่งเธอที่บ้านเธอควรจะทําตัวให้มันเรียบร้อยหน่อยหยวนเศร้าหึงเตือนหยวนเย็ยนเย็ย น, ยยนว่าห้ามก่อเรื่องอีกและหลังจากนี้เขาจะไม่พานางออกไปไหนด้วยอีกแล้ว จู่ๆหยวนเย็นเยียนก็นั่งนิ่งเงียบไปเหมือนคนโง่ไม่พูดไม่จาอะไรอีกหยวนเศร้าเฮิงต้องไปส่งน้องสาวให้ถึงหน้าประตูบ้านด้วยตัวเองเขาถึงจะวางใจกลับไปกินข้าวกับหลี่หวานที่ต้หยวนได้บรรยากาศบนรถไม่ได้ตึงเครียดเหมือนเมื่อครู่หยวนเศร้าเหิงลังเลเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขอโทษคำพูดที่เหย็นเยียนพูดออกมาเมื่อกี้นางฉันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางหรอกมีคนไม่อยากเห็นเราสองคนมีความสุขหนะหลี่หวานชิงพูดขึ้นก่อน วางใจเธอะฉันเข้าใจดีน้องสาวของเธอน่าไรเดียงสาจริงๆและคนแบบนี้นี่แหละที่ถูกหลอกได้ง่ายที่สุดคนที่หลอกนางก็คงกําลังจับตาดูเราอยู่เหมือนกันสิ่งที่ฉันกังวลตอนนี้คือศัตรูอยู่ในที่มือแต่เราอยู่ในที่แจ้งหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอี๋หยวนเศร้าเหิงทําหน้าเคร่งขรึมเดี๋ยวฉันกลับไปจะถามนางเองตกลงหลหวันพอนั่งรถนานๆก็เริ่มรู้สึกปวดไม่เอวและขาจึงเปลี่ยนท่านั่งพิงในท่าที่สบายขึ้น นางไม่ได้ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเท่าที่เล็บพวกนี้สิ่งที่นางกำลังคิดอยู่ในตอนนี้คือเรื่องการหาเงินเทียงแค่เป็นหมอจีนหลีหวานไม่ได้ตั้งใจจะทําไปช่วชีวิตเพราะทําไปทำมาสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นความขัดสนศาสตราจารย์เท้าเซียเป็นหมอจีนมานาหลายปีในมือก็ยังไม่มีเงินเก็บมากมายนะักส่วนศาสตราจารย์เจียงก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงความคิดของหลีหวานตั้งแต่ต้นจนจบก็คือการนําสมุนไพรจีนในมิติออกมาขายได้อย่างเปิดเผย ก่อนหน้านี้พระนางยังเด็กเกินไปจึงไม่อาจทำตัวโดดเด่นจนเกินไปได้แต่ตอนนี้คือนางมีความคิดแล้วหลิวันวางแผนว่าหลังจากจัดงานแต่งงานเสร็จแล้วนางจะก่อตั้งฐานเพาะปลูกสมุนไพรจีนขึ้นมาถึงเวลานั้นนางก็จะสามารถนำสมุนไพรในมิติออกมาขายร่วมกันได้โดยที่จะไม่มีใครสงสยัยเสี่ยวหวานลิวันใจลอยนานเกินไปจนรถขับมาถึงใต้หยวนแล้วนางยังไม่รู้ตัว จนกระทั่งหยวนเศร้าเหิงเรียกเตือนหืมนางเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าถึงแล้วขณะที่เปิดประตูรถกําลังจะลงไปก็พบว่าหยวนเศร้าเหิงไม่ได้เตรียมตัวจะลงรถคุณไม่เข้าไปหรอฉันรีบกลับไปถามเหยียนเหย็ยนนะ่ะเรื่องนี้ยังไม่กระจ่างหยวนเศร้าเหงิงจึงร้อนใจอยากจะถามให้รู้เรื่องอึมนั้นตอนขับรถกลับก็ระวังตัวด้วยนะหลังจากหลีหวันพูจบนางก็เดินอ้อมไปที่หน้ารถแล้วยื่นหน้าเข้าไปทางหน้าต่างรถจูบเบาๆที่มุมปากของหยวนเศร้าเหงิงพร้อมกับน้าเสียงจริงจัง ฉันไม่ได้โกรธเรื่องเมื่อกี้หรอกนะคุณไม่ต้องกังวลจนต้องมาคอยเอาใจฉันขนาดนี้ฝันดีนะฝันดีหยวนเศร้าเหิงยกมือขึ้นลูกตรงตำแหน่งที่เพิ่งถูกนางจูบราวกับว่าสัมผัสนั้นยังคงอยู่เมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้เขาก็เหยียบคันเร่งส่งรถพุ่งทยานออกไปทันทีบ้านตระกูลหยวนหยวนเฟยเห็นสภาพของเหยียนเหยียนหลังจากกลับมาก็ดูไม่ปกติเอาเสียเลยนางนั่งเงียบอยู่บนโซฟาผิดกับนิสัยที่ชอบวอยวายตามปกติ จึงคาดเดาว่าหรือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวนโม่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะถามอย่างไรดีจิตใจของเด็กผู้หญิงนั้นละเอียดอ่อนหากถามอะไรที่ฟังดูไม่ดีก็เกรงว่าจะทําร้ายจิตใจนางยวนเศร้าเฮิงขับรถกลับมาด้วยความเร็วสูงเขาปิดประตูรถเสียงดังปังเดินดุ่มๆเข้ามาโดยที่ยังไม่ทันได้ถอดเสื้อคลุมออกด้วยซ้ําแล้วตรงเข้าถามหยวนเย็นเ ย, น, เย น, ทนทันทีคําพูดพวกนั้นในคืนนี้ใครเป็นคนบอกเธอถ้าเธอไม่ยอมพูดความจริงกับฉันฉันจะให้พ่อกับแม่ตัดเงินค่าขนมของเธอและไม่ให้เธอออกไปไหนอีก ฉันจะสืบเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเซียวเมียวอวินหยวนเยียนเยียนไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้เลยนางตอบออกมาอย่างรวดเร็วที่ฉันยอมรับว่าคืนนี้ฉันสมองเบลอไปหน่อยพี่อย่ากโกรธเลยนะไว้ฉันจะไปขอโทษที่สไพรเองหยวนเยียนเยียนก็แค่ชอบเหวินโม่มากเกินไปอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเขานางจะให้ความสําคัญเสมอเมื่อเห็นน้องสาวสํานึกผิดได้เรอขนาดนี้ความโกรธในใจของหยวนเศร้าเหินก็ลดลงไปบ้างเหอฉันว่าเธอคงออกไปเที่ยวเล่นกับพวกคนไม่ดีจนเสียคนไปแล้วละ่ะ ฉันว่าที่พ่อกับแม่พูดน่ะถูกแล้วอายุขนาดเธอน่าควรจะไปเข้าเรียนในโรงเรียนรับการศึกษาเสียบ้างจะได้ไม่ถูกใครเขาจูงจมูกไปในทางที่ผิดแกไปทําอะไรมาหยวนเฟยได้ยินถึงปัญหาเข้าแล้วหยวนเหยียนเยียนต้องไปก่อเรื่องอะไรมาอีกแน่ๆปกติและนิสัยของหยวนเศร้าเหิงจะไม่โกรธขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่พ่อฉันก็แค่พูดเรื่องที่ไม่ควรพูดกับพี่สะพายนิดหน่อยฉันเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไป พี่ชายก็ตบหน้าฉันไปทีหนึ่งแล้วฉันรู้ซึ้งถึงความผิดแล้วและถ้าไม่ได้จริงๆตอนนี้ฉันไปขอโทษเลยก็ได้ฉันเองก็ราคาญจะแย่อยู่แล้วขอฉันอยู่เงียบๆคนเดียวหน่อยได้ไหมหยวนเยียนเยียนเพิ่งจะตระหนักได้ว่าเซียวเมี A ่ยวอวินหลอกนางเป้าหมายของผู้หญิงคนนั้นตั้งแต่ต้นจนจบก็คือพี่ชายของนางคงจะใช้ตัวนางเป็นเครื่องมือเพื่อทําลายความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเพื่อให้เซียวเมี A ่ยวอวินมีโอกาสแทรกกลางเข้ามา เย็นเย็ยนเย็ยนขอบตาแดงกำ่ำฉันรู้แล้วฉันจะไปเรียนหนังสืออย่างว่าง่ายก็ได้ใช่ไหมฉันเองก็ไม่อยากเกิดมาสมองทึบแบบนี้หรอกนะ่าจะไปโทษใครได้ละ่ะเหยืนเฟยยกมือขึ้นด้วยความโกรธหมายจะสั่งสอนนางแต่สุดท้ายก็ตัดใจลงมือไม่ลงรู้ตัวว่าผิดก็ดีแล้วแต่เรื่องขอโทษก็ยังจำเป็นต้องทาเธอนี่นะเพื่อจะตามจีบผู้ชายคนเดียวถึงกับทาตัวเองให้เป็นแบบนี้ไม่ละอายใจบ้างหรือไง ถึงขั้นไปรังแกพี่สะใยตัวเองเธอช่างเป็นเด็กเหลือขอจริงๆเรื่องของความรักหน้าเธอคิดจะใช้กําลังบังคับเอาหรือยังไงหยุนเฟยแค่นเสียงเหอะฉันว่าเธอไม่ต้องเรียนในประเทศแล้วเระไปเรียนต่างประเทศเลยดีกว่ารอจนกว่าเธอจะเรียนรู้เรื่องแล้วค่อยกลับมาอ้าวให้ฉันไปต่างประเทศทําไมล่ะฉันไม่รู้จักใครเลยนะไปที่นั่นก็ไม่คุ้นเคยกับทั้งคนและสถานที่หยุนเหยียนเยียนกลัวการต้องออกไปข้างนอก ไม่เอาหอกอยู่ในประเทศฉันก็จะเชื่อฟังอย่างดีมีบทเรียนครั้งนี้แล้วฉันจะไม่ก่อเรื่องให้พวกคุณต้องปวดหัวอีกเด็ดขาดรอดูพฤติกรรมเธอก่อนแล้วกันรู้แล้วหยวนเย็นเย็นเองก็จะไม่ปล่อยเซียวเมี่ยวอวินไปเหมือนกันทั้งหมดเป็นพระใยยนั่นแท้แท้